เราทาเราเระลึกถึงคุณงามความดีขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เป็นกุศลขึ้นมามแต่ก็เห็นว่าสองอันเนี่ยไว้ไม่ได้เราคอยคิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลบ่อยๆใจได้เกิดสมาธิคิดถึงคุณงามความดีที่สร้างนะจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็คอยรู้เอาต่นี้บังคับมากไ ป, ปตื่นเต้นจะไปข่มมันนะเอาอย่างอี้นะอีตื่นเต้นแต่อีไม่ขม่ม มีคนเมืองการาก่อนช่วยงานหลวงพ่อเยอะมากกววันนี้จิตมันดิ้มน้อยกว่าเมื่อวานมันไม่ค่อยมีแรงมันง่วงนอนดีดีกว่าเมื่อวานขอบคุณมลมลฟุ้งกว่าเมื่อวานรู้ลงไปมีโมหะนะมีโมหารู้ว่ามีโมหะมันออกมาข้างนอกเยอะไหมคะหลวงพอ่อมันกระจายไม่สั่งมั่น ไม่ถึงฐานใช่ค่ะสองคุณวุฒิถึงฐานนั่ดีกว่าถึงฐานแต่ฟุ้งซ่านสองคุณเนี่ยมันฟุงๆๆ้งฟุ้งฟุ้สองคุณมร์มันไม่ถึงฐานลูกลีกลูกลีกไปเลยก็ยังคิดไม่เลิกเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังคิดไม่เลิกเหมือนเดิมครับทิน พ, พ, พ่อเพราะคือมันห้ามไม่ได้แล้วก็พรเวลาคิดไม่ไม่ห้ามนะให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่าน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 แล้วก็รู้สึกไปถ้าไม่สงบไม่ได้ครับคุณครับเชิญคุณหมอนี่ลูกค้าเก่าจำได้ไหมคุณหมอคนเมืองการเจอคนนครปฐมอย่างขาดราดบุรีวันนี้พวกบ้านโป่งไม่มาเอาว่าไงาาวันนี้เกาะอยู่นิดนึงครับแต่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 กดคมอยู่มากอยู่เปล่าคะฟังไม่ค่อยออกว่าไงนะพยายามกดคมอยู่มากอยู่เปล่าคะอ๋อนิดหน่อยไม่มากน้อยลงน้อยรู้สึกไหมใจมันปล่งขึ้น <c oughs> ถ้ากดค่มนะ่าใจมันจะแข็งแข็งเครียดเครียดหนักหนัก <c oughs> ถ้าไม่คมมันจะโล่งโล่งโรงโปงเนี่ยตรงนี้มีนิดหน่อยค <c oughs> รู้สึกไหมอัน <c oughs> แกล้งทำ <c oughs> สวมหัวใจเด็กไว้นะะเด็กอะมีหัวใจที่ซื่อซื่อ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 พอกร ะ, ะทบก็ผิดธรรมดานะเช่นจะมองอะไรทีนะต้องตั้งหลักให้ดีนะไม่ค่อยมองนี่ดัดแปลงการกระทบนะพอมองไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะก็เฉยสิใจไม่กระเถือนขึ้นมารู้สึกโอ้ฉลอยกูจะเป็นผ้าละหันแล้วกูเนี่ยเหมือนคนเป็นอมภาษณ์หน่อยหน่อยฉลอยผ้าละหันจะเป็นอย่างนี้นะงั้น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 ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นรู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นไปได้อยาะคุณนานารู้สึกว่ามันเหมือนกลวยนะเจ้าค่ะข้างบนมันใสๆข้างล่างมันขุนๆมๆัวๆแล้วเช้าๆขึ้นมาเขาก็จะหลงมาอยู่ตรงเนี้ยฮะบางทีก็ไหลลงไปในกลวยนี้ใช่เจ้าค่ะบงทีก็ถอยขึ้นมาอยู่ขอบกลวยเนี่ย <c oughs> ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละในเกศไม่ขันมีเยอะแยะ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 หลวงพ่อจะไปปฏิบัติที่ผาซ่อนแก้วอะค่ะเอ่อจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชียนะ้แนวทางด้วยไปผาซ่อนแก้วก็อย่ามัวไปชมความงามนะถ้ารู้เนื้อรู้ตัวไปทางเดินมันเรียบริมเหวไปอย่างเงี้ยให้รู้สึกรู้สึกเรื่อยๆงูก็มีนะผีก็ดุ